ชาวโลกทิพกินและดื่มอะไรบ้างสำหรับเรื่องอาหารการกินนั้นข้าพเจ้าได้เคยบอกไว้แล้วว่าเราไม่มีความรู้สึกอิ่วกระหายกันเลยซึ่งโดยในยานนี้ท่านก็คงนึกว่าในการประชุมร่วมสังสรรค์กันนั้นก็คงจะไม่มีรายการกินอาหารหรือดื่มอะไรกันเลยเป็นแน่แต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น เพราะที่นี่เรามีผลไม้ที่มีรสเลิศอยู่อย่างเหลือเฟือดังนั้นในการประชุมการทุกครั้งท่านผู้เป็นเจ้าภาพก็จะจัดหาผลไม้มาเลี้ยงดูกันอย่างไม่ต้องกังวลว่าจะขาดมือเลยทีเดียวแต่ในเรื่องเช่นนี้มีสิ่งที่ท่านควรจะต้องระลึกไว้หลายอย่างซึ่งเป็นความแตกต่างกันอย่างมากในระหว่างการกินของชาวโลกทิพย์กับการกินของชาวโลกมนุษย์เพราะผลไม้ของโลกทั้งสองก็ไม่เหมือนกัน การกินก็มีจุดประสงค์ต่างกันและผลที่เกิดขึ้นก็ต่างกันสำหรับเรื่องผลไม้นั้นเรามีประเภทและจำนวนมากกว่าในโลกมนุษย์ยังมากมายแม้ว่าจะคิดถึงประเภทต่างๆทั่วโลกรวมกันก็ตามผลไม้ทุกชนิดที่ท่านมีอยู่ก็มีอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ก็มีคุณภาพอย่างชนิดที่เปรียบกันไม่ได้ทีเดียวยิ่งพูดถึงขนาดด้วยแล้วรับรองว่าในการเห็นครั้งแรกนั้น ท่านแทบจะไม่เชื่อสายตาตนเองทีเดียวน้ำหวานในผลไม้นั้นมีรสโอชาเทียบด้วยน้ำทิปฉะนั้นรูปลกษณะของผลไม้ก็ได้สัสดส่วนทุกประการคือไม่มีบิดเบี้ยวมองดูน่ากินเป็นอย่างยิ่งและยิ่งเมื่อกินเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกว่ารสของมันไม่ด้อยกว่ารูปร่างลักษณะที่ปรากฏแก่สายตาเลยในการกินผลไม้นั้นผลที่เกิดขึ้น จะไม่เหมือน ก, นกันกับผลที่เกิดขึ้นกับท่านในโลกมนุษย์เพราะผลของมันจะปรากฏเป็นพลังทำให้รู้สึกทราบซ่านแผลไปทั่วร่างกายซึ่งทำให้เกิดความชุ่มชื่นอย่างบอกไม่ถูกทั้งแก่ร่างกายและจิตใจพร้อมกันเนื่องจากเราไม่ได้มีความหิวกระหายที่จะต้องบำบัดด้วยการกินและดื่มดังนั้นผลไม้ที่เรากินจึงไปทาหน้าที่เสมือนให้เกิดพลังชีวิตและเป็นเสมือนประจุ ต, ตนเอง ด้วยกระแสพลังทั้งทางร่างกายและจิตใจฉะนั้นสำหรับท่านที่เป็นมนุษย์ย่อมเป็นการยากที่จะคิดว่าเราจะสามารถอยู่กันได้อย่างไรโดยไม่มีความหิวหรือกระหายกันบ้างเลยเพราะความต้องการของร่างกายเช่นนั้นเป็นของธรรมดาสามัญเหลือเกินสำหรับกายเนื้อจนทำให้จิตใจของท่านนึกวาดภาพไม่ได้เลยทีเดียวว่าการมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความหิวหรือกระหายเลยนั้น จะมีสภาพเป็นอย่างไรและจะเป็นไปได้อย่างไรอันที่จริงก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะความหิวหรือกระหายนั้นเป็นเรื่องของกายเนื้ออย่างแท้จริงแต่ถ้าท่านระลึกเห็นหรือเข้าใจดังกล่าวด้วท่ทองแท้แล้วท่านก็จะเห็นได้ว่าเมื่อท่านละทิ้งกายเนื้อไว้เบื้องหลังแล้วก็เท่ากับว่าท่านได้ละทิ้งความหิวกระหายของมันไว้เบื้องหลังด้วยเพราะในเมื่อไม่มีกายเนื้อ อันเป็นตัวการทำให้เกิดความหิวกระหายเสียแล้วท่านจะรู้สึกหิวหรือกระหายได้อย่างไรและดังนั้นความไม่รู้จักหิวหรือกระหายนี้เองก็เป็นธรรมดาของเราผู้ครองกายทิพย์เช่นเดียวกับที่ความหิวและกระหายเป็นธรรมดาของท่านผู้ครองกายเนื้อฉะนั้นและอันที่จริงแม้ท่านจะไม่ได้กินผลไม้ที่มีอยู่ที่นี่เลย ท่านก็จะสามารถอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแต่ข้อสำคัญก็คือเมื่อท่านได้ลองชิมรถดูสักครั้งหนึ่งแล้วท่านก็คงจะเบื่อไม่ลงเป็นแน่ทีเดียวอันที่จริงก็ไม่มีความจำเป็นอย่างใดที่ท่านจะต้องเบื่อหรือพยายามงดเว้นกินแต่น้อยๆในเมื่อจำนวนของมันมีอยู่อย่างเหลือเฟือซึ่งท่านสามารถจะหาความสาราญให้กับตนเองได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องเกรงใจใครเลย ทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าผลไม้เหล่านั้นงอกอยู่ที่ไหนคําตอบก็คือบุคคลส่วนมากมีสวนอยู่คู่กันไปกับบ้านของตนเองดังนั้นก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีผลไม้ประจําอยู่สําหรับตนเองและสําหรับผู้มาเยี่ยมเยือนด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีบริเวณที่กว้างขวางซึ่งมีไว้สําหรับปลูกผลไม้โดยเฉพาะซึ่งในบริเวณดังกล่าวนี้ จะมีผลไม้นานาชนิดขึ้นอยู่อย่างมากมายจนเพียงพอสำหรับทุกคนและทุกโอกาสด้วยสิ่งที่ทําให้ข้าพเจ้าได้รับความสดชื่นเป็นอย่างมากในเมื่อได้เข้ามาสู่โลกทิพย์ในระยะแรกๆก็คือการที่ได้เห็นว่ามีสวนผลไม้อยู่ด้วยนั่นเองท่านเจ้าของสวนทราบดีว่าในขณะนั้นข้าพเจ้ายัางเพลียในทางจิตใจอันเกิดจากโรคของร่างกายหลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อย ราการป่วยไข้ของข้าพเจ้าไม่ได้รื้อรังมากมายนักท่านจึงได้ให้ผลไม้ชนิดหนึ่งแก่ข้าพเจ้าเพื่อจะบำบัดอาการดังกล่าวนั้นให้หายไปได้โดยรวดเร็วแม่อดวินเองซึ่งได้เคยอยู่ในโลกที่มาก่อนข้าพเจ้าหลายปีก็ยังรับประทานผลไมน้นั้นอยู่เป็นครั้งคราวเหมือนกันส่วนผลไม้ดังกล่าวมานี้มีผลไม้ชนิดต่า ง, างกันซึ่งมีส ร, รพคุณต่า ง, างกัน และมีไวสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์ใหม่ๆท่านเจ้าของสวนหรือถ้าจะพูดให้ถูกตามที่ท่านอยากให้เราเรียกก็คือท่านผู้ดูแลสวนนั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในการเลือกสรรผลไม้ชนิดที่จะมีสปปรรพคุณอันเหมาะสมแก่อาการของผู้ที่เพิ่งผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์เป็นรายๆไปโดยเฉพาะลวเราได้ไปหาท่านผู้นี้สักครั้งหนึ่งแล้วท่านก็จะต้องขยันขยอให้ไปหาอีกและไปรับประทานอีกครั้งให้ได้ ท่านยังได้อุตส่าห์สั่งเสียเสมอว่าหากคราวหลังไปไม่พบท่านอยู่ที่นั่นก็ให้ช่วยตนเองคือเลือกรับประทานผลไม้ได้ตามชอบใจเลยโดยไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิน้นเพราะผลไม้เหล่านั้นจะทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านได้ดีกว่าตัวท่านเองเสียอีกและนอกจากนั้นผลไม้เหล่านั้นจะออกผลอยู่ตลอดการโดยไม่มีฤดูเป็นครั้งเป็นคราวเหมือนอย่างในโลกมนุษย์เลย แล้วก็จะอยู่ในสภาพที่สุขงอมกำลังรับประทานได้อยู่เสมออีกด้วยท่านเจ้าของไร่ผลไม้ดังกล่าวนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่ามีความชมนานาญในเรื่องผลไม้เป็นยอดเยี่ยมบ้านของท่านเองก็อยู่ไม่ห่างจากไร่ของท่านนักท่านกล่าวว่าท่านได้ทำหน้าที่นี้เพื่อบุคคลทั้งหมดในภูมินี้ดังนั้นจึงได้รับสิทธิ์ให้เป็นเจ้าของสวนหรือไร่นี้ได้ จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านจะได้ผ่านขึ้นไปสู่ภูมิแห่งโลกที่ที่สูงกว่านี้เราทุกคนรู้จักคุ้นเคยกับท่านดีและก็คงจะต้องรู้สึกอะไรอยู่บ้างหากท่านจะต้องจากพวกเราไปเพื่อทำหน้าที่ในภูมิสูงขึ้นกว่านี้แม้ว่าในขณะเดียวกันเราอาจจะปลอยยินดีด้วยในความก้าวหน้าในทางภูมิธรรมแห่งจิตของท่านก็ตาม ข้าพเจ้าได้บรรยายให้ท่านฟังถึงเรื่องผลไม้มาพอสมควรแล้วบางท่านอาจจะเกิดความสงสัยต่อไปอีกว่าถ้ากระนั้นเราจะมีเครื่องดื่มกันบ้างไหมคือเราจะมีความรู้สึกใคร่จะดื่มของเหลวบางอย่างบ้างไหมแม้ว่าจะไม่เคยรู้สึกกระหายในทางร่างกายก็ตามเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ต้องขอตอบอีกว่าไม่เคยเลยแต่อันที่จริงในผลไม้นั้นก็มีน้ำหวานของมันอยู่อย่างเพียงพอ ที่จะสามารถดับความกระหายได้อยู่แล้ว